ดูไม่ได้นะนี่ต่อไนยังไม่ซื้อมาน้นำตาลนะทำมามากแ ล, แล้วเกิดประโยชน์อะไรในไม่เกิดประโยชน์ตัดออกเราทำเพื่อหาเหตุหาผลหาประโยชน์มันไม่ทำพระเนยนให้ดีขึ้น น, ะนอกจากทำให้อ่อนแอลงไปไอ้พุ่งเฟอเ้อเหื่อเขิมไปเรื่อยไปใหา่เลย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 มันเลอะเอเธอไปแล้วนะเดี๋ยวนี้นะผมยิ่งแก่ลงไปยิ่งไปยิ่งเอื้อมละอากไปมากดูป้าดูเนยมันหมดกำลังที่จะลากจะเข็นกันแล้วนะเหนื่อยก็ทนเอา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 เชื่อในมรรคในผลเชื่อในบุญในกรรมเชื่อในการกระทาของตนศรัทธาวิริยะเพียนที่จะแก้สะถอดถอนกิเลสออกไปโดยลำดับลำดาในอิริยปบดหนึ่งหนึ่งไม่ห่างเหินจากความเพียนที่จะแก้กิเลสนี้เลยนะฟังสินี่หละท่านว่าพละห้าคือเป็นกำลังแต่ละอย่างางที่จะสังหารกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่กำลังของกิเลสที่จะสังหารเรา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 เป็นสิ่งที่ทำลายจิตใจของเราและจุดลากของเราให้ลงทางต่ำเสมอหาทางฟื้นขึ้นไม่ได้ก็เพราะกิเลสมันแทรกอยู่ภายในจิตใจลึกยิ่งกว่าธรรมใช่อีกนั <t <t ่นแหละเราจึงไม่เห็นคําว่าสมาธิพระองค์ทรงทรงทรงมาแล้วปัญญาก็ดีดีมุดหรือพ้นก็ดีทรงมาแล้วด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ทรงสั่งสอนด้วยเหตุผลกลไกนั้นเพื่อมรรคผลุพานที่พระองค์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 ความเพียรของท่านเป็นอย่างไรให้กังวลอยู่ในความเพียรของเราอย่าให้มีความขี้เกียจที่ค้านทอดถอยอ่อนแอเข้าไปเกี่ยวข้องทาลายความเพียรอ น, นั้นให้ล้มเหลวไปเสียนี่นี่หละทางเดินกังวลอยู่ที่หัวใจนี่แหละคำว่าความเพียรก็ให้เป็นกังวลอยู่ภายในใจของเราศรัทธาความเชื่อต่อมรรคผลนิพานก็เหมือนกันให้ฝังลึกลงในหัวใจของเรา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 จากการต่อสู้กับกิเยสเราจะบปคำนึงถึงความลำบากลำบนนี้เป็นอันมับแพ้ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีเลยให้พากันจำมาไว้ครูบาอาจารย์องค์ดที่ท่านดำเนินมาเป็นสนา ข, ของพวกเราในวงปัจจุบันนี้ก็ได้เคยศึกษากับท่านมาพอประมาณองคใดก็เดินตายกันทั้งนั้นครูบาอาจารย์แต่และองค์แล้วฟังแล้วลืมไม่ลง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 ต่อสู้กันด้วยความหนักเบามากน้อยเพียงไรนั้นให้กิเลสบรรลายประจักษ์หัวใจนั้นเป็นที่เหมาะสมแล้วกับความเพียรของเราผู้มีนิสัยอย่างนี้นั่นท่านยิ่งกล่าวไว้ว่าปฏิปทาสี่อย่างคิดิปทาสี่อย่างคือยังไงสุขาปฏิปทาคิปปาพินยาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วหนึ่งสุขาปฏิปทาทันทาพินยา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 เทไปเทไปมันก่อหนื่อยนะก็ฉันจะหยุดอย่างแค่นี้แหละอาละพอเป็นเหนื่อยก็เหน่อยก็แล้ว